เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจกันตลอดระยะเวลาห้าวันถึงหกวันที่ผ่านมาสาธุชนพุทธบริษัตทก็ได้ใช้เวลาไปกับการรรมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องสร้างที่พึ่งทางร่างกายคือหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาไปใช้กับปัจจัยสี่ที่เป็นที่พึ่งของร่างกายคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเพราะว่าถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ ร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้หรือจะอยู่แบบทุกข์ยากลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยนะะถึงแก่ความตายไปได้การหาปัจจัยสี่ที่เป็นที่พึ่งทางร่างกายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องหากันแต่สิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่า ที่พึ่งทางร่างกายก็คือที่พึ่งทางใจใจก็ต้องการที่พึ่งเหมือนกับร่างกายถ้าต้องการให้ใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกภยัยอันตรายต่างๆใจก็ต้องมีที่พึ่งเหมือนกับร่างกาย การจะมีที่พึ่งของร่างกายได้ก็ต้องมีการสร้างการหาที่พึ่งเหมืองกับการหาที่พึ่งทางร่างกายจําเป็นที่จะต้องไปหาอาหารหาเครื่องนุ่งหม่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาดูแลร่างกายเพื่อให้ร่างกาย อยู่อย่างปลอดภัยจากทุกภัยต่างๆจากโรคภัยต่างๆดังนั้นการมีที่พึ่งจาเป็นจะต้องมีทั้งที่พึ่งทางร่างกายและที่พึ่งทางจิตใจเพราะชีวิตของพวกเราประกอบขึ้นด้วยสองส่วนด้วยกัน ประกอบด้วยร่างกายและประกอบด้วยจิตใจระหว่างร่างกายกับจิตใจจิตใจนี้มีความสำคัญกว่าร่างกายเพราะว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวเป็นของที่อยู่ไม่เกินน้อยปีเป็นส่วนใหญ่ก็จะต้องสิ้นสุดลง แต่ใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายผู้ที่ใช้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังอยู่ต่อไปและจะอยู่ดีหรือไม่ดีจะอยู่แบบสุขหรือแบบทุกข์อยู่แบบเจริญหรืออยู่แบบเสื่อมก็ขึ้นอยู่กับว่าใจมีที่พึ่งทางใจหรือไม่ ถ้าใจมีที่ขึ้นทางใจใจก็จะอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขแล้ก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นเจริญขั้นสูงสุด ข, ข, ขั้นมรรคผลนิทานขั้นหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ ที่ใจมีที่พึ่งทางใจหรือไม่ดัง น, นั้นวันพระนี้จะเป็นวันที่พระเจ้าทรงให้ความสำคัญต่อชาวพุทธของเราให้ชาวพุทธเหล่านี้มาสร้างที่พึ่งทางใจกันเพื่อที่ใจของเราจะได้มีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นไปตามลาดับ จนเปนท่านสูงสุดของความสุขก็คือบรมีสุขเป็นท่านสูงสุดของจิตใจก็คือพระนิพพานนิบานังบาลังสุขขังนี่คือท่านสูงสุดของจิตใจที่จิตใจสามารถที่จะพัฒนายกระดับจิตใจของตนของตนให้ขึ้นไปสู่ ความสุขที่สูงสุดบัมลมัสุขนี้หมายถึงความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนิพพานก็คือสภาพของจิตใจที่มีความสงบมีความตั้งมั่นไม่มีอะไรมาสามารถที่จะมาฉุดล้างใจที่อยู่นิพพานนี้ ให้ไปเกิดแก่เจ็บตายได้ต่อไปนี่คือความสำคัญของการมีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางร่างกายก็สำคัญแต่แตสแต่สำคัญน้อยกว่าที่พึ่งทางใจเพราะต่อให้เรามีที่พึ่งทางร่างกายดีมากขนาดไหนก็ตามวันหนึ่งพอร่างกายนี้ตายไป ที่พ่งต่างๆของร่างกายก็หมดความหมายไปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปให้ความสำคัญกับการสร้างที่พึ่งทางร่างกายมากเกินไปตามหลักของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสร้างที่พึ่งของร่างกาย ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่ามักน้อยสันโดษออไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากๆในเรื่องของปัจจัยสี่มีพออยู่พอกินก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของหรูหราเป็นของที่มีราคาแพงๆตาบใดถ้าปัจจัยสี่สามารถทำหน้าที่ดูแลและเลี้ยงดูร่างกายได้ ปัจจัยสี่ที่ราคาไม่แพงก็ทาหน้าที่ได้เหมือนกับปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงๆเช่นอาหารอาหารจะกินมื้อละร้อยหรือมื้อละห้าร้อยหรือมื้อละห้าพันมันก็ทาหน้าที่เหมือนกันคือให้ความอิ่มกับร่างกายดับความหิวของร่างกาย และรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันดั <c oughs> งนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเวลามากกับการที่จะหาอาหารแพงๆมาเลี้ยงร่างกาย <c oughs> <c oughs> เมื่ออาหารที่ราคาถูกๆ ก, ก็สามารถทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้เช่นเดียวกัน เพราะเหตุที่ว่าเรายังมีภาระมีงานที่เราจะต้องทำอีกส่วนหนึ่งก็คืองานสร้างที่พึ่งของของใจนี่เองถ้าเอาเวลาส่วนใหญ่ไปสร้างที่พึ่งทางร่างกายเราก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาสร้างที่พึ่งทางใจได้เราจึงต้องพยายามลด ค่าใช้ใจ่ายทางสางทางการทางร่างกายลงไปให้ให้ลงไปให้ลงไปจนถึงจุดที่มันต่มสุดแต่ยังสามารถทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสมดุลได้ถ้าเราใช้ใจ่ายน้อยเราก็จะไม่ต้องไปหาจายรับ มาใช้เราก็จะได้มีเวลาให้กับการไปสร้างที่พึ่งทางใจได้มากขึ้น น, นี่คือเรื่องของที่พึ่งทางร่างกายเราต้องเลี้ยงดูร่างกายแต่อย่าไปเลี้ยงดูแบบหลงงมงายที่ว่าร่างกายจะต้องกินของดีๆกินของแพงๆ ถึงจะอยู่ได้เป็นปกติสุขซึ่งความจริงแล้วอาหารราคาไม่แพงไม่หรูหราก็สามารถทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราใช้เงินใช้ทองมากไปกับการเลี้ยงดูร่างกายเราก็จะต้องหาเราก็ต้องหาเงินทองมามาก เราก็ต้องมีเสียเวลาไปกับการหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายที่ไม่ยั่งยืนถาวรที่วันหนึ่งมันก็จะต้องแก่เจ็บตายลงไปในที่สุดไม่ว่าจะเลี้ยงดูร่างกายแบบหรูหราแบบราคาแพงๆหรือเลี้ยงดูแบบมากน้อยสันโดษผลก็เท่ากันคือร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน ดังนั้นเราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมแบ่งเวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายเท่าที่จาเป็นเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาส่วนใหญ่มาเลี้ยงดูมาสร้างที่พึ่งทางใจกันมาเลี้ยงดูใจเรากันเพราะใจเราเป็นของยั่งยืนถาวรใจของเราไปต่อไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายแต่ว่าจะ ไปแบบไหนอยู่แบบไหนเท่านเองถ้าขาดที่พึ่งทางใจมันก็จะไปแบบทุกข์<ม>ไปแบบวุ่นวายถ้ามีที่พึ่งทางใจมันก็จะไปแบบสุขแบบสงบแบบสบาย<ม>ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีวันหนึ่งอย่างน้อยให้กับการสร้างที่พึ่งทางใจกันเพราะว่า เราจะได้ทำให้ใจของเรานั้นเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับมีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับมีความทุกข์ลดน้อยลงไปตามลำดับจนสามารถทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หายไปหมดได้เลยเหลืออยู่แต่เพียงแต่ความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่มี วันสิ้นสุดไม่มีวันเสือ่อมเป็นบรล ม, มสัสสุหรือบาลามังสุท้งนีง้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งวันก็คือเอาเวลาของวันนี้ของวันพระนี้มาสร้างที่พึ่งทางใจกันแล้วต่อไป พอเราได้สัมผัสกับที่ที่พึ่งทางใจว่าให้ความสุขกว่าที่พึ่งทางร่างกายมันก็จะทำให้เราเกิดมีศรัทธามีความยินดีที่จะให้เวลากับการสร้างที่พึ่งทางใจเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ<ม>เราเริ่มต้นด้วยอาทิตย์ละหนึ่งวันคือในวันพระ พอเราได้สัมผัสกับประโยชน์สุขที่ได้จากการมีที่พึ่งทางใจมันก็จะทำให้เราอยากจะทำให้ประโยชน์สุขที่ได้จากการที่พึ่งทางใจนี้มีมากขึ้นไปตามเวลาต่อไปเราก็อาจจะเพิ่มวันพระจากที่ละหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆจนในที่สุด เราก็จะมีวันพระทุกวันก็คือเราก็จะเปลี่ยนเพศของเราสถานภาพของเราจากเป็นจากการเป็นคารวะทูกครองเรือนไปสู่การเป็นนักบวชตามลาดับต่อไปนี่แหละคือทำไมเราจึงมีนักบวชอยู่ในโลกนี้กัน ท, ทั้งที่ทุกคนที่เกิดมาก็เกิดมาเป็นคารวะเหมือนกัน แต่พวกที่ไปเป็นนักบวชนั้นเขามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างที่พึ่งทางใจและเขาได้ดำเนินได้ปฏิบัติพอได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการมีที่พึ่งทางใจก็ทำให้เขาเห็นว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเหนือกว่าความสุขทางร่างกาย และเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าความสุขทางร่างกายมันก็จะทำให้เขามีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดเขาก็อยากจะทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับการสร้างที่พึ่งทางใจและไม่มีอาชีพไหนหรือเพศไหนที่เหมาะกับการสร้างที่พึ่งทางใจ ยิ่งกว่าอาชีพหรือเพศของนักบวชเพราะนักบวชนี่มีเวลาที่จะได้ให้กับการสร้างที่พึ่งทางใจได้อย่างเต็มที่ใช้เวลากับการเลี้ยงดูร่างกายเพียงเล็กน้อยเช่นการออกบินธบัติเลี้ยงชีพเท่านั้นเองวันหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายด้วยอาหารแล้ว ส่วนเสื้อผ้าก็เป็นของที่จีวรก็เป็นของที่เมื่อมาหามาได้แล้วก็ใช้ได้ไปเป็นปีมไม่ต้องห า, าไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆที่อยอาศัยก็อยู่ได้ตามมีตามเกิดตัวใหญ่มักจะเลือกอยู่ในป่าในเขากันอยู่ในสถานที่สงบ<ม>ก็สามารถทําเพิง ด้วยกิ่งไม้ใบไม้พอหลบฝนหลบแดดได้ก็อยู่ได้แล้วยารักษาโรคสมัยพุทธกาลก็ใช้ยาดองน้ำมูดคื อ, อยาดองน้ำปัสสาวะนี้ไว้ดื่มเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้หน่ายป่วยทำให้ไม่ต้องไปทามาหากินแบบที่เป็นคารวาดทำให้สามารถมีเวลามาสร้างที่พึ่งทางใจ ได้อย่างทั้งวันทั้งคืนเลยจึงทำให้การพัฒนาการของจิตใจนี้ก้าวไปได้อย่างรวดเร็วสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีอันนี้ขึ้นอยู่กับการที่มีจุดเริ่มต้นหรือไม่ในการสร้างที่พึ่งทางใจ ถ้าเริ่มมีจุดเริ่มต้นก็คือวันพระนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการมาสร้างที่พึ่งทางใจมาเรียนรู้ว่าวิธีสร้างที่พึ่งทางใจนี้ต้องทำอย่างไรบ้างก็แล้วก็ศึกษาก่อนฟังเทศฟังธรรมก่อนเรียนรู้ว่าการที่จะสร้างที่พึ่งทางใจเพื่อให้ใจได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองให้มีความสุข ให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นต้องทำอย่างไรบ้างพอรู้แล้วก็จะได้นำมาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติคือความสุขใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ใจก็จะมีน้อยลงไปความเจริญของใจก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับตามกำลังของการปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรที่จะมาศึกษาก็คือว่าอะไรที่เป็นที่พึ่งทางใจหรือที่พึ่งทางใจนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง mm. ที่พึ่งทางใจองค์ประกอบสำคัญก็มีอยู่สององค์ประกอบด้วยกัน mm. คือหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าเป็นสารณะที่พึ่งของใจ mm. พุทธงธรรมังสางทางสอนานกาฉามิคือเราจะพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวก <c oughs> ให้เป็นผู้สั่งสอนเรานั่นเองถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์เป็นครูเพราะโดยลาพังตัวของเราเองนี้ไม่มีความรู้วิธีที่จะสร้างที่พึ่งทางใจให้กับตัวเราเองได้ <c oughs> เราต้องอาศัยคนที่ รู้วิธีคนที่ได้พัฒนาทางใจมาแล้วคนที่ได้สร้างทางใจมาสมบูรณ์แล้ว mm. ก็ไม่มีใครที่จะรู้ mm. ดีเท่ากับพระพุทธเจ้ mm. าอมุตตเจ้าเป็นบุคคลแรกของโลก mm. ที่สามารถสร้างที่พึ่งทางใจให้กับตัวพระองค์เองได้โดยที่ไม่มีใครไปสั่งไปสอน เพราะว่าไม่มีใครรู้นั่นเองสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสร้างที่พึ่งทางใจเบื้องต้นก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่สามารถสร้างที่พึ่งทางใจแบบย่างยืนแบบถาวรได้สร้างได้แบบชั่วคราวพระองค์เลยต้องไปค้นคว้าหาวิธีสร้างที่พึ่งทางใจด้วยพระองค์เอง จนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบวิธีสร้างที่พึ่งทางใจอย่างถาวานทาให้ใจนี้เจริญขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดคือมรรคผลนิพพาน <c oughs> แล้วก็ได้พบกับความสุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบร ม, มสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป <c oughs> หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ส่งค้นพบวิธีสร้างที่พึ่งทางใจแล้วพระ อ, องค์ก็นําเอาทำนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่สนใจเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนาเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุถึงจุดสูงสุดของจิตใจได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ ัรรลุถึงบรมสุขได้บรรลุถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้<ม>ก็บรรลุเป็นพระอารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นเอง<ม>นี่คือบุคคลหรือคาสอนที่เป็นที่พึ่งของผู้ที่ต้องการที่จะสร้างที่พึ่งทางใจจำเป็นจะต้องมีครูอาจารย์ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอน หรือในพระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านั้นที่จะเป็นบุคคลที่รู้วิธีสร้างที่พึ่งทางใจอย่างยั่งยืนอย่างถาวรถ้าไปศึกษากับที่พึ่งทางอื่นไปศึกษากับบุคคลหน่งที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาริยสงสาวกพระพุทธเจ้าจะได้จะไม่ได้รับความรู้ที่จะสามารถทําให้สร้างที่พึ่งทางใจได้อย่าง แท้จริงดังนั้นเรื่องต้นเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เราถึงเรียกว่าเป็นสารณะครูบาอาจารย์ก็คือที่พึ่งของนักนักศึกษานักเรียนนั่นเองนักเรียนต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นคู่คอยสอนคอยบอกเมื่อสอนแล้วจะได้นํำอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำ <c oughs> น, นี่คือที่ส่วนประกอบของที่พึ่งทางใจส่วนแรก ก็คือต้องมีครูอาจารย์ครูอาจารย์ที่ที่รู้เรื่องที่พึ่งทางใจนี้ก็มีแค่พระพุทธเจ้าและพระอริยรสงสาวกเท่านะั้นเราก็สามารถศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ได้หรือศึกษาจากตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วตัวแทนก็คือก็ททำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง ที่ได้มีบันทึกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกในพระพระคมพีพระไตรปิฎกถ้าเราไม่รู้จะไปหาใครสอนเราพระพุทธเจ้าก็ ต, ตายไปแล้วพระอริยสงสาวกเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นพระอริยสงสารกหรือไม่เรื่องต้นเราก็อาใสยพระไตรปิฎกนี่ศนะึกษาพระสูตรต่ตงตางๆนะ แล้วเราก็จะได้รู้วิธีสร้างที่พึ่งทางใจขึ้นมาอนนี้เป็นส่วนแรกขององค์ประกอบของการสร้างที่พึ่งทางใจต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าเป็นบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะสอนให้เราสร้างที่พึ่งทางใจได้ถ้าเกิดเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิธี สร้างที่พึ่งทางใจได้อย่างแท้จริงเราก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นถึงจุดสูงสุดให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แข่งการเวียน่าตายเกิดได้เราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นเราถึงจะสามารถมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจได้ อย่างพบนี้ชาตนี้พวกเราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเราสามารถมีที่พึ่งทางใจได้แล้วมีครูบาอาจารย์ที่จะสอนวิธีของการลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วนี่คือองค์ประกอบส่วนที่หนึ่งคือเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะ องประกอบส่วนที่สองของการสร้างที่พึ่งทางใจก็คือเราต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติเองคนอื่นมาศึกษามาปฏิบัติแทนเราไม่ได้พระพุทธเจ้าศึกษาปฏิบัติให้เราไม่ได้พาริยสงศึกษาปฏิบัติให้กับเราไม่ได้ถ้ามีหน้าที่สั่งสอนเรา หน้าที่ของเราก็คือเราต้องไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อได้ศึกษาแล้วเราก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติต่อไปเมื่อเราน้อมเอาไปปฏิบัติได้ <S <S เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ ข, ขั้นสูงสุดคือ ข, ขั้นพระนิพพ า, านได้ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ทำให้จิตใจของเรานี้อยู่กับบรลลุมสุขตลอดเวลาอันนี้เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของอัตตาหิอัตโนนาถตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครสามารถที่จะศึกษาแทนเราได้ไม่มีใครที่จะปฏิบัติแทนเราได้เราต้องเป็นผู้ศึกษาเองแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบสุ ป, ปฏิป น, นุ อุชปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ก, ก็จะตามมาตามลําดับแห่งการปฏิบัติสิ่งที่เราต้องปฏิบัติ ศึกษาก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาทรงมาตัดสั้นรู้แล้วนําเอาความรู้ที่เป็นที่พึ่งเป็นการสร้างที่เพิ่งทางใจนี้ว่าจะสร้างที่พึ่งทางใจได้อะไรอย่างไรพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะสอนว่าถ้าอยากจะมีที่พึ่งทางใจให้ปฏิบัติทำสามข้อนี้คือข้อที่หนึ่งให้ละาการกระทําบาปทั้งปวง อย่าทำบาปอย่าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิ์ในการโกหกละเสพบอบายามุขเช่นเดิมสรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนมีความเกลียดค้านพบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิตรนี่เป็นสิ่งที่ต้องละละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพรทำความดีต่างๆทำบุญทำทานทำคุณทำประโยชน์ ให้กับบุคคลที่มีคุณกับเราคือมีความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณทําความดีให้กับองค์กรที่ทําคุณทําประโยชน์ให้กับโลกเช่นวัดสวัดก็ดีโรงพยาบาลก็ดีโรงเรียนก็ดีเป็นต้นแล้วข้อที่สามก็คือให้ชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดเหตุที่มาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกัน กำจัดเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาที่เป็นการซักฟอกจิตใจด้วยการรักษาศิ่งของนักบวชศิ่งแปรแล้วก็จเจริญสมถะภาวนาทําจิตใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิแล้วหลังจากนั้นก็ไปสอนใจให้มีปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ กิเลสตัณหาต้องการนั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วขา่าวเป็นของที่ไม่ได้ให้ความสุขอย่างยั่งยืนถาวรได้มาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องสูญเสียไปหมดไปเพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะสามารถละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ น, นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกัน ต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเรยวรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างต้องรู้ว่าละการกระทำบาปละบาปสร้างบุญละชำระใจให้สะอาดบริสุดธนี่ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ด้วยอัตตาหิอัตโนนาถุ ข, ของเราเพราะเราไม่สามารถทำให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นเข้ามาปฏิบัติแทนเราได้เหมือนกับการลบประธานอาหารนี้เราไม่สามารถให้คนอื่นับประทานแทนเราได้ ถ้าเราหิวเราอยากจะให้ร่างกายเราอิ่มเราก็ต้องเป็นผู้รับประทานอาหารเองอันใดถ้าใจเรายังทุกข์อยู่ใจเรายังไม่มีความสุขเต็มที่อยู่เราก็ต้องเป็นผู้ที่มาปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมาละ บ, บาปมาสร้างบุญสร้างกุศลและมาชำระจิตใจสักพอกให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถปฏิบัติทาทั้งสามข้อนี้ได้ ใจของเราก็จะมีที่พึ่งทางใจคือจําทําให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนปราบความทุกข์ต่างๆแล้วทำให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขไปตลอดทําให้ใจของเรานี้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือประโยชน์ของการมีการมีที่พึ่งทางใจที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรา สละเวลาอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันคือวันพระนี้มาให้กับการสร้างที่พึ่งทางใจแล้วถ้าได้ทําแล้วพอได้สัมผัสกับผลแล้วก็จะเกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับต่อไปก็อาจจะสามารถปฏิบัติได้ทุกวันทุกเวลาในเพศของเป็นในเพศของนักบวชต่อไปถ้าเป็นนักบวชแล้วปฏิบัติอย่างเต็มที่นี้พระเจ้าก็ทรงรับรองไว้แล้วว่า ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีผลของการปฏิบัติก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือเรื่องของธรรมที่เอามาแสดงสําหรับวันนี้เวลาที่ให้กับการแสดงธรรมก็สิ้นสุดลงเดี๋ยวนี้ได้ลดการลดเวลาการแสดงธรรมให้เหลือประมาณสามสิบนาทีเพื่อจะแบ่งเวลาสามสิบนาทีให้กับการปฏิบัติธรรมคือการ เรมสมถะภาวนาการทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิ mm hmm. ก็คือการมานั่งสมาธินี่เองคำว่าสมาธินี้แปลว่าความตั้งมั่นของจิตในความสงบจิตตั้งมั่นในความสงบเรียกว่าสมาธิสติผู้การที่ใจจิตจะตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิได้นี้ต้องมีสติเป็นผู้คอยกำกับใจ ถ้าขาดสตินั่งไปนานสักเท่ทาไหร่ใจก็จะไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิขึ้นมามดังนั้นเวลานั่งสมาธิจาเป็นที่จะต้องมีสติคอยกากับใจให้อยู่กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมากรรมฐานนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันที่สามารถนำมาประใช้กับการทาใจให้สงบได้ เช่นถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกอัน<ม>นี้เขาเรียกว่าอาณาปณะสติ<ม>เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งอาณาปณะแปลว่าลมเข้าลมออก<ม>สติก็คือการระลึกรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจ<ม>อย่านั่งเฉยๆอย่าเพราะนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวใจจะคิดปรุงแต่งแล้วจะคิดไปทางความอยากแล้วมันก็จะดิ้นแล้วมันก็จะไม่สามารถ นั่งเฉยๆได้ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เวลานั่งสมาธินี้ต้องมีสติกำกับใจตลอดเวลาจนกล่าใจจะสงบถึงจะหยุดดูลมได้ถ้าไม่สามารถดูลมได้จะใช้พุทธานุสติก็ได้นี่ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างเป็นอารมณ์อีกอย่างคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติ<ม>ก็คือคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี่ เวลาเราบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ใจของเราก็จะไม่สามารถที่ลอยไปลอยมากับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ได้ก็จะเพลิดเพลินอยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปจนจิตรวมสงบเป็นสมาธิขึ้นมาคำบริกรรมก็จะหายไปเองแล้วจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิหรือถ้ายัางดูลมไม่ได้บริกรรมพุทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้การสวดมนต์นี้ก็เรียกว่าธรมานุสติ เรละเลกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะบทสวดมนต์ต่างๆก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้น <Yeah. S 1> เวลานั่งสมาธิถ้าอยากจะให้เกิดผลขึ้นมาคือความสงบคือความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จําเป็นจะนั่งนั่งด้วยการมีสติควบคุมใจอย่านั่งเฉยๆแล้วพอจิตสงบเราจะได้สัมผัสกับนัตติสันติปารังสุขขงัง สุขที่เหนืยกับความสุขทั้งปวงสุขอื่นที่เหนยยกว่าความสงบนี้ไม่มีดังนั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันต่อจนกว่าจะครบเวลาคบ่ายสามโมงเราก็จะเลิกแล้วเราก็จะได้ทำบุญทาทานกันต่อตอนนี้ก็ขอให้เรามีสติควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราที่เราถนัดที่เราชอบ สามารถเลือกได้ตามอธัธยาศัยแต่อย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวใจจะดิน้นแล้วจะทนนั่งต่อไปไม่ได้หรือจะนั่งอย่างไม่มีความสุขแต่ถ้านั่งแบบมีอะไรกากับใจมีสติกำกับใจให้อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับการสวดมนต์ไปก็ได้ใจเราก็จะเย็นจะสบายจะมีความสุขหลังวนี้เราก็จะมาเจริญสติกัน ตามอธิยาสายต่อไปอตอนนี้เวลาสำหรับนั่งสมาธิก็หมดลงปณิ้จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวะหาปุราปริกเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกา ป, ปติ อิติตังปัติตังตุมหังคิดเมวาสมิจฉาโตสะเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพารโควินัสตุมาเตปวัตวันตาราย สุขีทีขายุโกภาวาอภิวาทานสีฤทษะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวาทานเตอายุวันุสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบคาถามถ้าเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยสําหรับท่านที่ไม่ต้องการจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ครับเรียนพระอาจานค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานุกติจากทางเฟซบุ๊กสองร้อยหกสิบห้าท่าน YouTube พระชุชาติไลฟ์สองร้อยเก้าสิบยูด็อกเตอร์วีหกสิบวิทยุออนไลน์เจ็ดคลับเฮาสองนาุติหนึ่งร้อยแปดสิบรวมทั้งหมดแปดรอยสี่ท่านค่ะเราถามได้จ้ะเอาที่แล้วถามว่าทำไมแม่ชีมีสีน้อนกับเพาไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> การหลงพ่อเด็กๆลองพ่อไปบวชเป็นพระได้ยังไงเออเป็นตามเป็นเด็กๆแล้วมาเป็นพระได้ยังไงเลยใช่ก็เห็นพระแล้วชอบไงเห็นพระก็อยู่ยังมีความสุขก็เลยอยากจะอยู่แบบพระหนูอยากเป็นพระไหมไม่หนูไม่ใช่ผู้ชายหนูจะไปเป็นพระได้ยังไงเป็นแม่ชีไง ทำไมคนเป็นพระต้องเป็นผู้ชายก็เหมือนกับผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันไงผู้หญิงใส่กระโปรงผู้ชายก็ใส่กางเกงนี่แต่ก็ทําหน้าที่เหมือนกันนั่งสมาธิเหมือนกันรักษาศีลเหมือนกันนะหนูต่อไปหนูเป็นแม่ชีดีไหมชอบไหมตอนตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กเด็แล้วหลวงพ่อไปเป็น พระได้ยังไงหลว ง, งพ่อทําความดีมาจากไหนหลวงพ่อยังไม่รู้เรื่องศีลห้าเลยต้องเรียนพ่อเด็กๆใช่ไหมก็เรียนไงไปโรงเรียนโรงเรียนเขาก็สอนอสอนพุทธบวชสอนศีล ส, สออะไรต่างๆพอเราเรียนรู้หลวงพ่อคะหมอผีมีอยู่จริงไหมผีมนาะหมอผี อผีไม่มีหรอกผีก็ไม่มีผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริง <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> ผีที่มาหลอกหนูนี่ไม่ใช่เป็นผีจริงผีปลอมแต่ว่าหนูเคยดูในคลิปอะหนูเคยดูในโทรศัพท์หนูเจอหมอผีเขาเสียค่าผู้หญิงคนนั้นน่ากลายเป็นโกร อ, อันนั้นเป็นละครไงเราทำอะไรก็ได้ดูในคลิปนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะมอผีนี่หน้าเหมือนคนใช่ไหมก็เป็นละครเนี่ยเขาก็จะทำให้หน้าเหมือนคนก็ได้เหมือนใครก็ได้ใครก็ได้ทำให้หเป็นหน้าเหมือนหนูก็ได้นะเป็นละครหนูอย่าไปเชื่อของที่ห น, หนูเห็นในคลิปนะ เป็นละครยังนั้นหมอผีแล้วแล้วถ้าหมอผีเขาเป็นหมอที่รักษาเราหรือรักษาผี <c oughs> คือไม่มีหรอกเป็นละครไม่ไมใช่เป็่อความจริงนะไ ม, ไม่ต้องไปเชื่อหมอผีเขาสร้างบ้านเหรอไม่มีอะ เ, เป็นละคร หนูขอให้หล่อนตายมีสุขภาพแข็งแรงอ๋อสาธุจ้าขอให้หนเรียนหนังสือเก่งๆโนูใครเป็นเด็กคนเป็นเด็กดีคนดีนะจ๊ะอ่ารสาธุหลค่ะร้อนมากร้อนจนจะกลายเป็นหมูย่างอยู่แล้วเก่งมากเลยคนนี้ฉลาด่ะคนนิดเดียวกล้าพูดกล้าเลยเดี๋ที่เ้าว่าพระวุฒิเช้า เกิดมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้าเนี่ยแล้วความฉลาดของจิตใจเนี่ยแต่ไม่ได้เดินทันทีนะไม่ใช่พอออกจากท้องแม่ก็เดินเลยอาจจะวันสองวันพักให้มีกําลังก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาเดินได้คําถามจากผู้รับฟังนะกุติค่ะเคยอ่านว่าหลวงปู่มั่นสอนให้เดินจงกรมในแนวทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกแต่ที่บ้าน โยมสถานที่ไม่สะดวกจาเป็นต้องเดินในแนวเหนือใต้จะได้ไหมคะจะมีผลเสียไหมคะคือการเดินไม่ได้อยู่ทิศทางเป็นหลักอยู่ที่การมีสติแล้วไม่มีสติแต่ทิศทางนี้ก็เพื่อความเหมาะสมหลวงปู่มั่นท่านอาจจะพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าเดินด้วยเดินตามตะวันนี่มันเหมาะสมที่สุดสาหรับการเดินจงกรมแต่ถ้าไม่มีเดินไม่ได้จะเดินทาง ทางที่อื่นก็ได้ข้อสำคัญเดินด้วยมีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสติเดินตามทิศ ต, ตะวันมันก็ไม่สงบแต่ถ้ามีสติเดินทางทิศขวางตะวันมันก็สงบได้เพรา ะ, ะนั้นเราอย่าไปถือประเด็นเรื่อง <c oughs> ทิศทางมากจนเกินไปให้ถือประเด็นอยู่ที่สติหรือไม่มีสติ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะบ่อยครั้งที่เบื่อไหน่ตนเองเบื่อไหน่โลหวุ่นวายเป็นเพราะใจไม่ยอมรับความวุ่นวายทางโลกใช่หรือไม่คะเคย <ồ> ค, คิดว่าถ้าได้ไปบวชไม่ต้องยุ่งกับใครจะทําให้ตัวเองสงบนี่ใช่ทางออกที่แท้จริงไหมคะก็เป็นทางออกที่สู่ที่ออกจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบถ้าเราต้องการความสงบเราก็ไปบวชกัน คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะขณะนั่งสมาธิมีเวทนาจิตก็พยายามที่จะกลับมาที่พุทโธแต่เห็นจิตมันวิ่งไปที่เวทนาตลอดก็พยายามดึงมาที่พุทโธแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวต้องขยับร่างกายเจ้าค่ะแสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยเราต้องพยายามฝึกสติให้เพิ่มให้มากขึ้นไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว คนจะฝึกทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เราตื่นจนหลับนี่เราสามารถฝึกสติไปได้เรื่อยพยายามพุโทโธไปเรื่อย<ม>ต่อไปกําลังของสติก็จะมากขึ้น<ม>แล้วต่อไปก็สามารถที่จะดึงจิตให้อยู่กับพุโทโธได้ยังไม่มีคําถามเลยยังไม่มีค ำ, หคำใหม่ค่ะ <c oughs> การปฏิบัติไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินี่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือสติเราต้องการควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆเราต้องมีสติยึดเหนี่ยวผูกใจไว้กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเวลาเดินเราก็อาจจะใช้สติอยู่กับการเดินเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าเดินแบบใจลอยเดินแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้ พอจะไม่เกิดผลคือความนิ่งสงบมันมีคำถามเข้ามาแล้วนมัสการพระอาจารย์เนาะค่ ะ, ะโยมคือนั่งสมาธิอะค่ะก็นั่งมานานแล้วเวลามันเจ็บทรมานจะต้องขยับโยมก็จะคิดว่าโยมพูดกับร่างกายที่เจ็บอะค่ะ ว่าฉันเป็นเจ้าของเธอฉันจะไม่ขยับถ้าจะตายฉันก็จะไม่ขยับฉันจะยอมตายมันก็ปวดมากค่ะยยมก็ไม่ขยับสุดท้ายมันก็หายไปเองอย่างเงี้ยค่ะมันมันถูกต้องไหมที่เราถู้กต้องนเถ้าเราไม่ขยับก็ถูกต้องเราเฉยเราทาใจเฉยเฉยไป มันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะไปก็ปล่อยมันไปมันก็หายไปเองเจ้าค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเจ้าค่ะขอบคุณสาธุค่ะอ่มันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันดินฟ้าอากาศในตอนนี้อากาศร้อนเราไปสั่งให้มันหายไปไม่ได้มันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปเราต้องหัดทําใจให้อยู่กับมันให้ได้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์ คำถามจากทางย o ท t บด็อรค่ะการพูดหรือการกระทำใดๆที่ทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกหรือบั่นทอนกำลังใจในการใช้ชีวิตเป็นบาปไหมครับถ้าเราโดนการกระทำแบบนี้เราควรวางใจเราควรวางอย่างไรครับก็เป็นข้อมุสาอยู่ในกลุ่มของวาจาที่ไม่ควรที่จะพูดเพราะพูดแล้วทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนตามมา ก็จะเรียกว่าบาปก็ได้ดนั้นอย่าไปพูดยุยงให้คนอื่นเขาเกิดความเกลียดชังกันแตกแยกตามเมื่อกี้กันถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องทำใจทำใจให้เป็นอุเบกขาเหมือนกับเมื่อกี้ญาติโยมเจอกับทุกขกเวทนาก็ต้องทำใจเฉยๆไปเวลาเราเจอกับทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจเราก็ทาใจให้เฉยๆใช้พุทธโธพุทธโธไป ลเราจะใช้สัจจะอย่างที่ญาติโยมคนนั้นบอกว่าจะไม่ขยับจะยอมตายเราก็เราก็ตั้งสัจจะว่าเราจะไม่ไปทำอะไรกับใครเรายอมตายอะไอนี้แล้วเดี๋ยวเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะผ่านไปการที่จะวางใจให้เฉยได้ก็ขึ้นอยู่กับการมีสติมากน้อยเท่าไหร่ถ้ามีสติมากใจก็จะวางเฉยได้มากถ้ามีสติน้อยใจก็จะวางเฉยได้น้อย พยายามฝึกสติอยู่ บ, บ่อยๆเราฝึกได้ทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเราไปทำธุระที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปลงควันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารฝึกสติได้ตลอดเวลาและเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราต้องอยู่เฉยๆเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปได้ มีอีกไหยังไม่มาเนี่ยมีมีคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมนั้นเห็นเราตถาคตหมายถึงอย่างไรครับก็ธรรมกับพระพุทธเจ้านี้เป็นอย่างเดียวกันไงธรรมที่เราเห็นก็คือธรรมคือจิตที่สงบจิตที่สงบก็เป็นจิตของพระพุทธเจ้าอย่างถ้าเราทําใจให้เราสงบได้เราก็จะรู้ว่า ใจของเราเหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วก็วเป็นเหมือนเราเป็นฝาแฝดกับพระพุทธเจ้าเราเราสงบใจของพระเจ้าก็สงบแล้ ว, ล ว, วกว็ววเป็นเหมือนอันเดียวกัน <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะเลิกประชุมกันแล้วถ้าไม่มีใครถามอะไร <c oughs> อันนี้อาจจะมีคำถามน้อยหน่อย <c oughs> แล้วแต่บางวันก็เยอะบางวันก็น้อย